จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจผสมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส4สตุลาคมพุทธศักราช2555ห้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อสร้างสาณะที่พึง ให้แก่ใจที่พึ่งทางกายพวกเราก็มีการพร้อมบริเตียอยู่แนละ้วคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแต่ที่พึ่งทางกายนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งทางใจไม่สามารถดับทุกข์หรือป้องกันความทุกข์ ทางใจไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ที่พึ่งทางใจนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งต่างกับที่พึ่งทางร่างกายเราจำเป็นจะต้องมีที่พึ่งทั้งสองส่วนคือที่พึ่งทางกายและที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองที่เราแปลงวาจา กอยู่เสมอว่าพุทธังธรรมังสังคังสารนังกัจฉามิขอให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเราก็คือใจถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งใจของเราก็จะอยู่อย่างทุกข์ทรมานใจเพราะ ไม่มีที่พึ่งเหมือนกับร่างกายถ้าร่างกายขาดที่พึ่งทางร่างกายคือขาดอาหารขาดเครื่องนุ่งห่มขาดที่อยู่อาศัยขาดยารักษาโรคร่างกายก็จะอยู่อย่างทุกข์ทรมานดังนั้นเราจึงต้องมีสาระที่พึ่งทั้งสองส่วนเพราะชีวิตของเราประกอบขึ้นด้วยสองส่วน คือร่างกายและจิตใจจิตใจนี้มีความสำคัญกว่าร่างกายมากเพราะว่าความทุกข์หรือความสุขของจิตใจนี้มีความรุนแรงกว่าความทุกข์ความสุขทางร่างกายและอายุของใจก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนกับอายุของร่างกายที่มีไม่เกินร้อยปี ก็จะต้องบทสภาพไปเราจึงไม่ควรที่จะให้ความสำคัญกับร่างกายมากจนเกินไปให้ความสำคัญพอให้อยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดอยากขาดแคลนก็พอแล้วแต่เราอย่าเสียเวลากับการทุ่มเทให้กับร่างกายด้วยการหาสิ่งที่ฟุ่มเฟือยต่งตางๆ มาบำรุงบำรเลรร่างกายเช่นรับประทานอาหารต้องรับประทานอาหารที่มีราคาแพงๆต้องไปรับประทานตามสถานที่ที่ต่างๆที่ต้องเสียเงินเสียทองเป็นจานวนมากรับประทานแบบธรรมดาเรียบง่ายรับประทานอาหารที่บ้านซื้อกับโ้งกับข้าวอะไรมาที่รับประทานแล้วทำให้ร่างกายอิ่มก็ใช้ได้แล้ว ความอิ่มนี้ของร่างกายนี้เหมือนกันไม่ว่าจะรับประทานอาหารมือ 5, ร้อละห0 0พันบาทหรือรับประทานอาหารมื้อละห้าสิบบาทความอิ่มก็เท่ากันดังนั้นเราอย่าให้ความหลงหลอกให้เราต้องมาเสียเวลากับการบำรุงบำรเลอรร่างกายของเราด้วยของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะผลที่ได้รับนั้นก็ ไม่แตกต่างกันการอยู่แบบสมถะเรียบง่าย ก, ากับการอยู่แบบฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายนั้นต่างกันอย่างไรผลลัพธ์ที่ร่างกายได้รับก็เท่ากันรับประทานอาหารก็อิ่เหมือนกันนุ่งห่มเสื้อผ้าราคาแพงหรือราคาถูกก็เป็นเสื้อผ้าไว้ปกปิดร่างกายไว้ป้องกัน อากาศหนาวเย็นไว้ป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยเหมือนกันบ้านจะมีราคาร้อยล้านหรือราคาหรือราคาห้าแสนหรือเป็นบ้านเช่ามันก็ทําหน้าที่เหมือนกันคือป้องกันภัยทางธรรมชาติเช่นฝนฟ้าอากาศต่างๆป้องกันภัยจากวิชาทีพทั้งหลาย ก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันยารักษาโรค ก, ก็เช่นเดียวกันจะรักษาที่โรงพยาบาลแพงๆหรือรักษาโรงพยาบาลของรัฐบาลก็รักษาโรคได้เหมือนกันตายได้เหมือนกันหายได้เหมือนกันไม่ว่าจะรักษาที่โรงพยาบาลไหนถ้าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ก็มีก็ต้องตายเท่านั้นไม่มีปุ่ทางเป็นอย่างอื่น ถ้ารักษาให้หายได้รักษาโรงพยาบาลไหนก็หายได้เหมือนกันดังนั้นยราอย่าทุ่มเทเวลาให้กับร่างกายมากจนเกินไปควรจะให้เพียงร้อยละสิก็พอพอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแล้วเราควรที่จะทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างสาธารณะทางใจจะได้ประโยชน์มากกว่า เพราะใจของเรานี้ไม่ตายไปกับร่างกายใจของเราอยู่ต่อไปจะอยู่แบบมีที่พึ่งหรือไม่มีที่พึ่งเท่านั้นเองถ้าอยู่แบบไม่มีที่พึ่งก็อยู่แบบขอทานทางจิตวิญญาณเช่นตายไปก็ต้องไปเป็นเปรตไปเป็นสัมภเรสีล่องลอยไปหาที่เกิดไม่ได้เพราะไม่ได้สร้างสาระไม่ได้สร้างที่พึ่งไว้นั่นเอง ดยงนั้นขอให้เราคำนึงถึงภพชาติที่จะต้องตามมาต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจเราหรือตัวเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเรานี้ตัวเรานี้ต้องเดินทางไปต่อไปสู่ข้างหน้าซึ่งจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ว่าเรามีสาระมีที่พึ่งทางใจหรือไม่ ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจใจเราจะสงบเย็นไปสู่สุขติถ้าขาดที่พึ่งทางใจใจก็จะทุกข์รุ่มร้อนวุ่นวายก็จะไปสู่ทุกขติไปสู่อบายดังนั้นเราจึงควรที่จะทุ่มเทเวลาเก้าในสิของเรานี้ให้แก่จิตใจจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะ ความสำคัญของใจนี้ก็มีความสำคัญมากกว่าร่างกายหลายสิบเท่าด้วยกันและความสุขความทุกข์ของจิตใจก็มีความรุนแรงมากกว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายหลายสิบเท่าเช่นเดียวกันถ้าเราสามารถดูแลรักษาใจของเราให้มีสวรณ ะ, ะมีที่พึ่งได้ใจเราจะมีความสุขหลายสิบเท่า ความสุขทางร่างกายเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะต้องตายไปนี้จะไม่มากระทบกระเทือนกับความสุขของใจเลยใจจะอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายของร่างกายจะไม่สะทกสะท้านเลยเพราะว่ามีที่พึ่งมีสาณะนะมีความสุขที่มีความรุนแรง ที่มีอนุภาพมากกว่าความทุกข์ของร่างกายจึงสามารถทําให้ความทุกข์ของร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีความสำคัญไม่มีความไม่มีผลที่จะกระทบกับจิตใจได้เลยในทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีสาระที่พึ่งทางใจเวลาที่ร่างกายเกิดความทุกข์ขึ้นมาใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาตามไปด้วยก็จะกลายเป็นมี ความทุกข์สองส่วนเข้ามารุมเล่าจิตใจทุกทั้งหลังทุกทั้งทางร่างกายและทุกทั้งทางจิตใจนี่คือเรื่องของกายและใจและความสําคัญของสารณะที่พึ่งทางใจที่เราควรที่จะทุ่มเทเวลาชีวิตของเราให้แก่การสร้างสารณะทางใจเพราะเป็นสารณะที่แท้จริง และสาะที่ถาวรไม่เสื่อมหมดไปกับสาระที่พึ่งทางร่างกายทางร่างกายนี้พอร่รางกายตายไปที่พึ่งต่างๆก็หมดสภาพไปคือร่างกายไม่สามารถอาศัยที่พึ่งทางร่างกายได้ต่อไปคนตายแล้วไม่ต้องการไม่ต้องมีบ้านอยู่ไม่ต้องมีข้าวรับประทานไม่ต้องมีเครื่องนุ่งห่ม ไม่ต้องมียารักษาโรคแต่ใจนี้ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังต้องมีสารณะมีที่พึ่งก็คือต้องมีพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของใจที่พึ่งของใจคือสาระพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือสารณะที่พึ่งที่อยู่ข้างนอกใจและ ส่วนที่สองก็คือสารณะที่เพึ่งที่อยู่ภายในใจที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้ต้องเป็นที่พึ่งที่อยู่ในใจถึงจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงจะเป็นที่พึ่งที่ดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ที่พึ่งภายนอกเช่นพระพุทธรูปนี่พระธรรมคาสอนหนังสือหนังหาต่างๆที่เราได้ยินได้ฟัง ได้ศึกษาพระอริยสงสาวกที่เราได้ไปกราบว่าท่านเหล่านี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจท่านเป็นเพียงผู้ที่จะผักดันให้เราเข้าไปสู่ที่พึ่งภายในคือภายในใจเวลาที่เราเห็นพระพุทธรูปเราก็จะได้ล้ำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเราก็จะได้เตือนใจของเราว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างที่พึ่งด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลพระอริยสงสาวกที่เราไปกราบไหว้ก็เช่นเดียวกันท่านก็จะสอนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญกุศลนี่แหละที่จะเป็นสารณะที่พึ่งของใจต่อไป ดังนั้นเราต้องอย่าไปหลงคิดว่าเรามีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านหรือเรามีพระพุทธรูปห้อยที่คอเราแล้วเรามีที่พึ่งยังไม่มีที่พึ่งเพราะเรายังมีความทุกข์อยู่เรายังดับความทุกข์ไม่ได้เรามีหนังสือธรรมะมีแผ่นซีดีฟังอันนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นที่พึ่งเพราะยังไม่สามารถดับความทุกข์ของเราได้ เรามีรูปเหมือนของพระอริยสงสารโลกต่างๆไหว้กาบไหว้บูชาก็เช่นเดียวกันก็ยังไม่ได้สามารถดับความทุกข์ใจของเราได้เวลาเรามีความทุกข์ใจเช่นเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารับไปเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราจะต้องตายนี้เรายัง ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ด้วยสารณะที่พึ่งภายนอกคือพระพุทธรูปนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจให้เราได้หนังสือธรรมะแผ่นซีดีธรรมะก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้รูปของครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจของเราได้เราต้องดับด้วยสารณะที่พึ่งทางใจที่พึ่งภายในก็คือพระพุทธ พุทธธรรมสังขะการที่เราจะทําให้มีที่พึ่งภายในใจเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองที่สอนให้เราทําบุญละบาปชาระใจของเราให้สะอาดนี่เป็นทางที่จะทําให้เราเข้าสู่พระรัตนตรัยภายในใจ พระรัตนตรัยที่แท้จริงนี้อยู่ในใจของเราแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการปลุกขึ้นมายังไม่ได้รับการปลุกเสกพวกเราไปปลุกเสกพระรัตนตรัยภายนอกซึ่งปลุกไปยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างไรพระพุทธรูปนี้ต่อให้มีพระเกจิกมาปลุกมาเสกมาเป่าก็ยังเป็นพระพุทธรูปเท่านั้นไม่ได้เป็นพระพุทธ ที่จะเป็นที่พึ่งของใจเราต้องเสตต้องเป่าต้องปลุกให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นมาภายในใจของเราด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเ<อ>ช่น ม, มาทำบุญอย่างวันนี้มาละบากมารักษาศีลมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ ทำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิหรือสวดมนต์หรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปนี่เรียกว่าเป็นการทําใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วก็สอนใจให้รู้ความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข ถ้าเราเห็นว่าเป็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่ไปยึดติดพอเราไม่ยึดติดแล้วเราก็จะไม่ทุกขกับเขาเขาจะเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนเช่นเราถ้าเราสามารถมองเห็นว่าร่างกายของเรานี้ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัต ที่เราได้มาจากพ่อจากแม่แล้วเราก็เอาใสายร่างกายนี้ไว้ทำอะไรต่างๆจนกว่าร่างกายนี้จะหมดสภาพไปถ้าเรายึดติดว่าเป็นตัวเราของเราเวลาที่ร่างกายจะจากเราไปเราจะทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากเพราะเราไม่มีธรรมะไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมที่เห็นว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานั่นเองร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราไม่เห็นความจริงอันนี้เพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติทําจิตใจให้สงบถ้าเราทําจิตใจให้สงบแล้วพอเราสอนใจความจริงอันนี้ใจของเราก็จะเห็นตามได้แต่ถ้าใจเราไม่สงบนี้สอนอย่างไรก็มองไม่เห็น พะเป็นเหมือนแว่นตาที่ขุ่นมัวนั่นเองก่อนที่เราจะใส่แว่นตาให้เห็นอะไรต่างๆได้ถ้าแว่นตาขุ่นมัวเราก็ต้องทำความสะอาดก่อนเราต้องเช็ดแว่นตาให้ใสก่อนพอแว่นตาใส่แล้วเราใส่เข้าไปเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนฉันใดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้เรายังไม่เห็นความจริง ที่ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเรายังคิดว่าร่างกายนี้จะอยู่ไปนานๆร่างกายนี้จะให้แต่ความสุขกับเราร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้แล้วเราสอนใจให้ดูความจริงใจจะเห็นความจริงทันทีว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วย มีความตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำหนุนไฟเท่านั้นนี่คือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาให้เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงแล้วก็จะปล่อยวางได้ ก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายร่างกายแก่ก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์ร่างกายตายก็ไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามก็จะไม่ทุกข์ร่างกายของคนที่เรารักเวลาเขาตายไปเราก็ไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจเวลาเขาเยอะยังไม่ตายเราก็ไม่กังวลไม่วิตกกว่ากลัวกับ ความตายของเขาเราอยู่กับความจริงได้ความจริงเป็นอย่างไรเราก็อยู่กับความจริงนั้นถ้าร่างกายยังไม่ตายก็ยังไม่ตายถ้าร่างกายตายก็ต้องตายเราไปห้ามความจริงนี้ไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์ได้ด้วยความด้วยความมีแสงสว่างแห่งธรรมมีปัญญาเห็นความจริง ว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่คือเรื่องของการสร้างสารณะที่พึ่งทางใจพอเรามีแสงสว่างแห่งธรรมมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่าใจของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้เองใจของพระพุทธเจ้าก็มีแสงสว่างแบบนี้มีปัญญาใจของพระพุทธเจ้าไม่ทุกข์กับสิ่งต่าง ก็เพราะว่ามีธรรมะแสงสว่างอย่างนี้เองดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเป็นผู้เห็นธรรมก็ต้องเห็นความจริงนี้เองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นร่างกายและสิ่งของต่างๆทุกสิ่งทุกอย่าง มีเกิดมีดับเป็นธรรมดาทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไปหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานี่คือการเห็นธรรมการสร้างสารณะขึ้นมาต้องสร้างที่ใจต้องต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามลำดับขั้นตอนก็ทำบุญเมื่อทำบุญแล้วก็จะละบาปได้เพราะคนที่ ชอบทำบุญจะไม่ชอบทำบาสนั่นเองถ้ายัางทำบุญไม่ได้ก็จะละบาปไม่ได้เพราะคนที่ไม่ชอบทำบุญก็มักจะชอบทำบาสนั่นเองดังนั้นเราต้องฝืนบังคับตัวเราให้ทำบุญให้มากๆทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพื่อเราจะได้มีความเมตตาเมื่อเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะไม่ชอบทำบาป เมื่อเราทำบุญได้เราก็จะละบาปละการกระทำบาปได้เมื่อเราละการะละการกระทำบาปได้เราก็จะสามารถปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิได้เพราะใจของเราจะมอยากจะมีความสงบเพราะเวลาที่ไม่ทำบาปแล้วมีจิตใจที่สบายก็อยากจะให้สบายมากขึ้นไปเราก็อยากจะ ทำใจให้สงบเราก็จะฝึกเจริญสติควบคุมความคิดของเราควบคุมใจของเราไม่ให้ลอยไปลอยมาด้วยการคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับพุทธโธให้บริกรรมพุทธโธไปถ้าใจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดก็ใช้บริกรรมพุทธโธพุทธโธหยุดไป ถ้าหยุดแล้วก็ให้เฝ้าดูร่างกายไปเรื่อยๆร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทำของร่างกายอย่าให้ใจไปที่อื่นเช่นกำลังนั่งฟังเทศตอนนี้ก็ต้องฟังเทศอย่างเดียวอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่บ้านหรือเรื่องที่ทำงานอันนี้แสดงว่าใจลอยถ้ามีความคิดเหล่านี้มาเราอย่าให้คิดอะไรให้อยู่กับงานกับ เรื่องที่เรากำลังทําอยู่ตอนนี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรมก็ให้ใจเราฟังอย่างเดียวอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจเราไม่เลื่อนไปเลื่อนมาลอยไปลอยมาเวลาเรานั่งหลับตาทำใจให้สงบใจก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดีย ว, ยวใจก็จะวูบเข้าสู่ความสงบนิ่งสบายมีความสุข นี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาหากันเพราะเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเสมอเพราะเวลาที่เราได้เสพได้สัมผัสกับความสุขแล้ว มันก็จางหายไปพอหายไปเราก็เกิดความว้าเหวเกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงาเกิดความทุกข์เกิดความอยากที่จะเสกอีกแต่ความสุขทางใจไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อใจมีความสุขแล้วก็จะอิ่มอย่างเดียวจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรนี่คือที่พึ่งของเราคือความสงบนี่เองสารณะเป็นที่พึ่งของเรา เียแต่ว่าความสงบทางสมาธินี้ไม่สงบอย่างถาวรเราต้องอาศัยปัญญามารักษาความสงบหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเวลาที่เรามารับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าสิ่งที่เราอยากหน้านี้ไม่ได้เป็นความสุข เป็นความทุกข์เพราะเขาไม่เที่ยงสุขใหม่ๆแต่หลังจากนั้นไม่นานก็จะเขาก็จะเปลี่ยนไปเขาจะเสื่อมลงไปหรือเขาจะจากรอไปพอเขาเสื่อมไปเปลี่ยนไปหรือจากรอไปเราก็จะทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ท, ทันทีถ้าเราสอนใจอย่างนี้ใจเราก็จะหยุดความอยากหยุดความฟุ้งซ่านได้ก็กลับเข้าสู่ความสงบ มีความสุขจากความสงบของใจได้และจะสงบอย่างถาวรเพราะถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นทุกข์เป็นเหมือนยาพิษต่อไปเราก็จะไม่แตะต้องอย่างแน่นอนถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยาพิษเราจะไปเอามาอยู่ใกล้ตัวเราทําไมมีเป็นพิษเป็นอันตรายกับเราปัญหาคือเราไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนยาพิษนั่นเอง เรายังคิดว่าเป็นขนมหวานยังคิดว่าให้ความสุขกับเราอยู่เราจึงต้องทุกกับสิ่งต่างๆที่เราหลงยึดติดอยู่นั่นเองเพราะสิ่งต่างๆที่เรายึดติดนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมไปต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเรามีปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆ ใจของเราก็จะไม่กล้าจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรและแทนที่จะมีความรู้สึกว้าเหว่เศร้าสร้อยงอยเหงาใจกับของใจกับจะมีความสุขมีความอิ่มสบายเพราะมีความสงบนั้นเองความเศร้าสร้อยหงอยเหงาความว้าเหว่นี้เกิดจากความอยากของเรานี่เองเวลาเราอยากได้อะไรเราก็จะเกิดความเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมา เช่นเวลาอยู่บ้านคนเดียวนี้เราอยากจะออกข้างนอกแต่ถ้าเราออกไปไม่ได้เราก็จะรู้สึกเศร้าโศงโศงเหงาว่าเว่แต่ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้ความรู้สึกเศร้าโ้ยอยหงยเหาว่าเว่ยนี้จะหายไปเราจะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายและจะไม่ชอบอยู่กับคนอื่นเพราะอยู่กับคนอื่นแล้วกลับมีเรื่องวุ่นวาย อยู่คนเดียวกับสบายกว่าถ้าใจสงบแต่ถ้าใจไม่สงบนี้อยู่คนเดียวไม่ได้จะรู้สึกเหงาจะต้องอยู่กับคนนั้นคนนี้ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องลาคางใจบ้างก็ดีกว่าทนอยู่ตามลาพังอยู่กับคังเหงาหงอยอยู่กับหลายคนก็ไม่เหงาแต่ก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะบอกแวงกันมีเรื่องขัดใจกันแต่ก็ ถือว่าดีกว่าที่จะต้องอยู่คนเดียวแต่คนที่ทำใจให้สงบแล้วจะชอบอยู่คนเดียวเพราะอยู่คนเดียวมีความสุขมากกว่าอยู่กันหลายคนแล้วมีเรื่องวุ่นวายมีปัญหาต่างๆนานาตามมานี่คือความแตกต่างระหว่างของใจของผู้ที่มีความสงบกับผู้ที่ไม่มีความสงบ ใจของผู้ที่มีความสงบนี้เป็นใจที่มีที่พึ่งมีสานะเพราะความสงบนี้แลเป็นธรรมะที่แท้จริงเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงผู้ที่มีความสงบแล้วจะไม่ทุกกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามจะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนดังนั้นขอให้พวกเราจงให้ความสาคัญ ต่อการสร้างที่พึ่งทางใจโดยเฉพาะที่พึ่งภายในใจที่พึ่งภายนอกก็เป็นเป็นเหมือนกับผู้นำทางเป็นผู้บอกทางให้กับเราเช่นพระพุทธรูปหรือพระธรรมคาสอนหรือพระอริยสงสากทั้งหลายท่านเป็นผู้สอนเราบอกเราว่าที่พึ่งที่แท้จริงของเราจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ก็เกิดขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติสามขั้นตอนคือทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นดังนั้นก็ขอให้พวกเราพยายามทุ่มเทเวลาของเราให้มากต่อการสร้างสารณะที่พึ่งทางใจแล้วเราจะไม่ผิดหวังเราจะอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขเราจะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิด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 แควค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอน